อมูรหาวิไนไม่ชอบทำสามกรณีภิกษุทั้งหลายการให้อมุรหาวิไนไม่ชอบทรสามหมวดชอบทรสามหมวดนี้การให้อมุรหาวิไนไม่ชอบทำสามหมวดเป็นฉไหนหมวดที่1ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัต สงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจดภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัติเห็นป่านี้ภิกษุนั้นกําลังระลึกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมต้องอาบัติแล้วแต่ระลึกอาบัติเห็นปานนี้ไม่ได้สงให้อมุระห่าวิัยแก่ภิกษุนั้น การให้อมุระหาวินัยไม่ชอบธรรมหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านี้ ภิกษุนั้นระลึกได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมระลึกได้เหมือนความฝันสงให้อมุระหาวิเนยแกภิกษุนั้นการให้อมุระหาวิเนยไม่ชอบธรรมหมวดที่สภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัต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 สงให้อมูรหาวิไนแก่พิกูุนั้นการให้อมูรหาวิไนไม่ชอบธรรม